เปิดหนังสือมนต์พิธีไปที่หน้าหนึ่งสองแปดสวดซ้อมถวายพรพระนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสามมาสามพุททาสะนะโมตั สัพพะฆาวะโตอาระหะโตสามมาสามพุทธาสะนาโมอาตตสัพพะฆาวะโตอาระสามมาสามพุทธาสะอิติปิโสปะาวอาระ สามมาสามพุทโธวิจารณสามปันโนสุขโตวโรกกวิตอนุตตโรปุริสธรรมละลาธิศาสเทวมนุษนางพุทโธภาควาติสวาง ตัวภควตาธรมโมสันทิติโกอการิโกเอหิสิโกะโอปะนายโกปาจตังติตาโปวินยุเฮติสุปฏิปันภาควโตสาวกสังอุจุปฏิปันโนภาควโตั วากัสังโคยายะปฏิปันภะคะวะโตสาวาคสังโคมีจิปฏิปันโนภะคะวะโตวากัสังโคยะทิทางจัตตารยุคานิอัตถุริสปูกเอสภะคะวะโตสาวกคส โคอาหุนายโปามโยทักเกนายโยอันการานิโยอนุตตะรังปุณเกตังโลกาสัตติปะหุงสหัสสมปินิมิตุธุธานตังครีเมฆา อุทิตะโคลาสเสนามางนาภิธรรมที่นาจิตตวามุนินตันเตชะสภาวตุชายมังคลานิมาติเรกามะริโยชน์จ ja ิตสาศติงโครัมปนา แตอย่าขังขันตีสุทันตวิทินจิตวามุนินโททันชาสาปวตุเตชยัมกาลานินาราคิริงกาจวันอาิมาตภูตังวจิจากกามสันิวาสุรุนานตัง ปุเสกวิธินาจิตวามุนินทันเตจะสาภาวตุใจยังมังตานิออคิตะกกรรมติหตสัตุรุนันตังท้าวันติชนะปังคุริมารวันอิทธิปิสังขตมโนจิตตว มุนินโทตันเตชะปาวตุเตชะยมังคะลานกัตตวานักัตตมุทารังพินิยาจินใจทุทวจัตชะนกายามาเจสันนัสโอมวิทินาชิตามุนินโทตันเตชะสา เตจัยมังคลานิสัจังยามติสัจจะกวาทเกตุงทาพิโรปิตามะนังอาิทภูตังปัญญาปัจปัจริโตจิตตาวามุนินโทตันชาสาบ่าวัตุเตจัยยม อาลานินันโทปนันทางวิปุท h งมไม่ติงปุตเตนลาผู้ชัเคนธรมมะปยันยิทโปะเทตวิทินาชิตาตวุนินโทตันเตชะสาภาวะตุยะยมังกาลานิทุ อาทิตติพุทธคเคณสุทัสสะหัดตังมังวิสุติตุจิมิติปักทิทานังญานันวิธินาจิตตวามุนินโทตันชาสาภวะตุเตขลานิเอตาปิพุธชะยม ขละาตากาธาโยจะโนทินทินเดสะระทานติหิตตวานตวิวิธานิจุปัตตวานิโมสุขังอภิฆมัยนะสะปัญโยมหค า, ารุณีโกนา อิตายาสปปานินางเลตวาปารมีสปปปัตสัมพัวที่มุตตมังเอเตสัจวัจเจนะหัวตุชัยยะมังคารังชัยันปัวทิยาโมเรสศนางนันติวัตโนเอวัง ปิชายโหหิชายาสุชยมังอปราชิตปัลลังเกสีเสวโปกทะเลอภิเศเกปะปุตตานังอาคาปัดปัมมวดติสุนาักตังสุมังสุปะปาตังสุหุติตังสุขโนสุมัง ตัวจะสุยทั้งพรามาทิสุภะทากีินังกายกรมังปะทักินังมโนกรรมปณเติเตปทักินาปะทักินานิกัตโตวาอันตัดเถปตทักขิน อาวะตุสาปะมังค์รังลาปตุสาปะเทวตาปพุทธานุพาวสุธีภวันตุเตปะมังค์รังลาคานตุปะเทวตาสาภะ มานุภาเวนวันตุเตาวัตุสากลังลาขันตุอเทวตาสัพพาโนเวนัสธาโสตี อวันโุเต